ดีแบบไหนที่อยู่บนเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ดีแบบอยู่เฉยๆอยู่บนทางทุกบ้างสุขบ้างดีแบบดีมาดีกลับอยู่บนทางสุขมากกว่าเป็นทุกข์ดีแบบสุขที่จะให้อยู่บนทางพร้อมจะสุขเหนือกว่ามนุษย์ ดีแบบอยากสละออกอยู่บนทางพร้อมจะไปสู่ภาวะบรมสุขดีแบบไหนที่อยู่บนเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ดีแบบอยู่เฉยเฉยไม่ทาร้ายใครก่อนไม่ทาร้ายใครกลับเรียกว่าอยู่บนทางไม่เบียดเบียนแต่ก็อาจไม่อยู่บนทางเกื้อกูลแบบนี้คือดีเสมอตัว พร้อมจะกลับมาเป็นมนุษย์ทุกบ้างสุขบ้างตามแต่จะช่วยตัวเองดีแบบมีปฏิกิริยาตอบสนองไม่เบียดเบียนใครและถ้าใครดีมาก็ดีกลับใครมีพระคุณก็จดจำไม่ทำเป็นลืมเรียกว่าอยู่บนทางรู้ขุนคนนับว่ามีเครื่องหมายของคนดีพร้อมจะกลับมาเป็นมนุษย์ มีชะตาช่วยให้เป็นสุขมากกว่าเป็นทุกข์ดีแบบอยากให้ก่อนอยากให้เปล่าเป็นความสุขส่วนตัวที่จะให้คิดขึ้นมาเองว่าอยากให้ส่วนเกินของตนไปเติมเต็มส่วนขาดของคนอื่นแม้ใครเป็นฝ่ายร้ายมาก็พร้อมจะเป็นฝ่ายดีกลับนี่เรียกว่าอยู่บนทางเกื้อกูลคือดีกว่าธรรมดา จึงพร้อมจะไปเป็นเทพพ ย, ายดาสวยสุขที่เหนือกว่ามนุษย์ดีแบบอยากสละออกสละแม้ความมีตัวตนที่มีสิทธ์กลับมาเบียดเบียนตนเองได้แล้วก็ต้องเบียดเบียนใครๆอีกมีสติเห็นกายใจโดยความเป็นรูปปรากฏแห่งทุกเสมอกันเลิกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่เห็นมีข้างร้ายมา ไม่เห็นมีข้างดีกลับมีแต่พวกเดียวกันที่ต้องทนทุกข์อยู่กับอุปาทานเราร้อนอยู่กับความหลงสําคัญตนผิดเหมือนๆกันเห็นอย่างนี้ก็ได้อยู่บนทางพ้นไปเหนือกว่าคำว่าดีแบบที่คนเข้าใจกันจึงพร้อมจะไปสู่ภาวะเหนือกว่าเทพพยายดามีสิทธิ์อยู่กับสิ่งที่พระศาสดาตรัสว่าเป็นบรมสุขได้